ย่าลู พูดมากนะคณัศรัทธาญาติโยมเพราะศรัทธาญาติโยมก็คงจะฟังหลายกันแล้วครูบ า, ยยาอาจารย์ก็คงจะอธิบายทำอะไรให้ฟังมากต่อมากหลวงพ่อก็คงจะพูดแบบสรุปง่ายๆเพราะครูบาอาจารย์พูดไปมากแล้วอีกอย่างหนึ่งศรัทธาญาติโยมก็คงจะคิดถึงบ้าน คิดถึงบ้านคิดถึงเรือนพอมันดึกแล้วนะเพราะนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากเอาตั้งใจฟังนะในขณะที่หลวงพ่อพูดอย่าไปถ่ายรูปที่มีแฟตนะอยู่ในความสงบสกักก่อนถ้าถ่ายรูปเสร็จแล้วยังค่อยว่ากันให้ตั้งใจฟังอันในสงแห่งการฟังธรรม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 ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุดตมยัปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยัปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอะไรเว่าจินตามยัปัญญาภาวนามยัปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบ เมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาการกองไตรตรองเหตุและผลอันนี้คือปัญญาของพระพุทธศาสนาหรือปัญญาของพระพุทธเจา้าหรือปัญญาของพระอริยสง์สาวกให้ผ่านสมาธิจะก่อนแล้วนํามาพิจารณาตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกได้อันนี้เราว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนา ส่วนสุตมยะปัญญาจินตามะยปัญญาเป็นปัญญาทั่วทวไปนะแต่ภาวนามยปัญญา เ, เป็นปัญญาของพระอริยสงสาวกที่ท่านตัดกิเลส อ, ออกจากจิตใจของท่านได้อั น, นี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าไม่ได้ยินได้ฟังสัก่อน เ, อเราก็จะแยกแยะไม่ออกว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมให้แต่ให้พวกเราฟังแต่ละองค์ล้วนแล้วแต่มีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าเราฟังด้วยความตั้งใจได้ฟังด้วยความสนใจเพราะท่านได้รู้ได้เห็นมาอย่างไรท่านก็ได้มาแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านเคยได้เงินมาทางไหนบางคน ได้ท่านภาวนาได้รับผลอย่างไรแทนก็ได้เนี่ยนำมาบอกกล่าวให้กับคณะทาญาติโยมฟังเหมือนกับการทำมาค้าขายของทั้งแต่ละองค์บางองค์ก็ออกไปทํานาเมื่อได้นาขายได้ข้าวเยอะๆมาขายข้าวได้เงินบางคนก็ไปกรีดยางพอกรีดยางเยอะๆมาขายได้เงินมันมีเยอะแยะวิชาอาชีพในโลกนี้เหมือนกัน การปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านได้อัดได้ทํามาท่านก็มาแนะนําให้กับผีน้องประชาชนศรัทธาญาติโยมให้ได้ฟังได้ยินได้ฟังจากนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้ากับอุปนิสัยองค์ไหนที่องค์ไหนที่ท่านผูดต้องถูกต้องเป็นธรรมเราก็นําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นสมบัติของพวกเราไม่ใช่สมบัติของท่านนะเป็นสมบัติของพวกเราถึงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ เป็นวันหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้กล่าวสมโมทิยกถาให้กับคณะตถาญาติโยมได้ยินได้ฟังต่อจากนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นเรื่องนั้นที่นี่นะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบันริตานั่นจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังขยะวยะธรรมมาสังคาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาตีติวันนี้ นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเป็นงานแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยลิศบันทิโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบร้อยสองปีวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านสวนทิพอำเภอปากเกร็ด จ, จังหวัดนนทบุรี อันนี้ก็คือเราปารัเรื่องงานถ้าหลวงพ่อไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อพูดมาในเรื่องอะไรแต่ถึงยังไงหลวงปู่ของพวกเราอายุร้อยสองปีท่านทําคุณูปการให้กับประเทศชาติต่อลูกหลานที่มาเกี่ยวข้องพวกหลาพวกเราได้กราบได้ไหว้ หลวงปู่ในวัดธรสมสำนานั่นจะทัศสนังการได้เห็นสมณะผูปะ้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างที่หลวงพ่อได้ยกว่าบัณฑิตานั้นจะเสวนาบัณฑิตาคือบัณฑิตหลวงปู่ที่ท่านเป็นบัณฑิตท่านบวชเข้ามาแล้วก็ท่านไปอยู่ถ้าทราบว่าท่านไปอยู่ต่างประเทศอยู่หลายปีแต่ท่านเป็นผู้ เก่งเรือว่าเป็นผู้พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยหลวงพ่อทราบมาจากหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อนะท่านเคยไปอยู่ด้วยกันทางจาังหวัดเชียงใหงม่หลวงปู่จามหลวงปู่บุญจริตจากนั้นท่านก็ได้ไปพบกับงองค์หลวงปูล่ลาด้วยนี่หลวงพ่อก็ได้รับทราบแต่หลวงพ่อเองท่านอยู่ในเมืองในกรุง แต่หลวงพ่อเป็นผ้าบ้านนอกอยู่ในป่าดงกรงไัยก็ไม่ได้เข้ามากราบมาไหว้ท่านแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ได้ยินข่าวกิตติจัพท์ของท่านอ ย, อยู่ในเมืองกรุงคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ความเคารพเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ของเราหลวงพ่อจึงตั้งเป็นพุทธพาสตว่าบันริตานันจะเสวนาการได้พบบัณฑิตนักปราชญ์การที่ท่านได้กล่าวแนะนาสั่งสอน พวกเราถึงจะเป็นคำพูดนิดหน่อยแต่เป็นภาษาที่ว่ากินใจนำไปประพฤติธปฏิบัติได้อันนี้ก็เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ยินได้ฟังเนี่าบัณดิตา น, นจะเซวนาบูชาจะบูชนญยาหนังบูชาบุคคลที่คุณควรบูชาหลวงปู่เป็นบุคคลที่คุณบวชควรบูชาเพราะเป็นผู้อยู่ในกรอบในพระวินยัยในศีลในธรรม แล้วพวกลูกหลานเข้ามากราบไหว้ท่านก็สบาย อ, อกสบายใจเย็น อ, อกเย็นใจเพราะได้มาพบในองค์ท่านแต่หลวงพ่อได้พูดได้ตรัสว่าพุทธภาสิทธคำนึงว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติความแปลและความหมายก็ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น สมัยก่อนหลวงปู่ก็ยังน้อยหนุ่มอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่มาบัดนี้หลวงปู่อายุร้อยสองปีก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไม่ได้อยู่ร่างร่างกายของท่านอาบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังแล้วไปตามสภาพของอายุสังขารเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ า, าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้หลวงปู่ท่านก็ได้พิจารณาในจุดนี้อีกเหมือนกันท่านก็รู้ว่าสังขารไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นท่านจึงทําประโยชน์ตนของท่านและกัพร้อมการท่านก็ช่วยเหลือชุมชนแนะนําพี่น้องประชาชนเท่าที่ท่านจะแนะนําบอกกล่าวด้วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้อันนี้ก็คือหลวงปู่ท่านได้ทําสมบูรณ์บริบูรณ์ ดังที่พุทธภาสิต ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอนที่พระองค์จับปรินิพานในวันเดือนหกเพนนะว่าจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสเป็นพระคาถาอื่นอีกต่อไปแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดขยะวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะธรรมสัมปาเดทาติอันนี้คือการสั่งเสียของพระพุทธเจ้าต่อพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลเพราะนั้นพวกเราได้นำทำคาสอนของพุทธ นำมาบอกกล่าวซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งวนนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่มาใกล้ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรก็ให้พวกเรานําไปประพฤติปฏิบัติท่านเสื่องสอนศริยธรรมอย่างไรให้พวกเรานําไปคิดถึงท่านจะเป็นหนังสือท่านออกมาเป็นหนังสือแต่หลวงพ่อก็ได้รับน ะ, ะได้รับพอะไรที่ท่านบันทึกพระไตรปิฎก เป็นเอ็พีสาหลวงพ่อก็ได้เป็นชดไปเลยเรือกว่าครบหลวงพ่อก็ยังบางครั้งก็เปิดฟังอีกเหมือนกันนะนะที่หลวงปู่ที่ท่านได้อ่านหลวงพ่อก็ได้ไปชุดหนึ่งเหมือนกันในวัดของหลวงพ่อขณะหลวงพ่ออยู่ในป่าตรงพงไฟหลวงปู่ของเราก็ท่านก็ยังมีเมตตาส่งไปให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องลูกหลานผู้ดูฝ่ายในการศึกษาเรียนรู้ ในเรื่องพระธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะดังนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะามาอยู่ใกล้ปูบายอาจารย์จากนั้นก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาแต่ถึงอย่างไรก็ให้พวกเราสนใจเรื่องจิตตภาวนาเพราะว่าพ่อแม่ปู่บายอาจารย์อย่างองบรมปู่ไทยหรือหลวงปู่บุญมาที่ท่านแสดงธรรมจบลงไปแล้วนานกัระ่วนแล้วแต่ท่านแนะนําสั่งสอนให้พวกเราเน้นเรื่องจิตตภาวนา เป็นหลักเพราะว่าอย่างอื่นเรื่องทานพวกเขาก็เคยทํามาจนมากเทือหว่ามากมายรักษาศีลพวกเราก็ได้เรียนรู้เรื่องศีลมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเพราะคนเราคือการอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีการเสียสละไม่มีการให้ทานพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรพ่อแม่ไม่มีการเสียสละให้ลูกในเมื่อพ่อแม่เสียสละให้ลูกแล้ว เมื่อพ่อแม่แก่เท่าชะลาพวกเราก็ไม่ได้ดูแลพ่อแม่นเรียกว่าบุคคลผู้มีอุปกรณะเป็นเราถือว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกระก่อนพวกเราควรแสดงความปะตันอยู่ปตวเวทิตาอย่างไรต่อผู้มีอุปกร ะ, ระคุณสําหรับพวกเราอันนี้คือหลักคำคำสอนคำสอนของพุท ธ, ธะในการในเมื่อ เกิดมาด้วยกันอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละคือทานะศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยการอยู่ด้วยกันอย่าให้มีเรื่องราวทาให้คนอื่นหนักอกหนักใจกับเราในเมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาก่อทุกใจในเมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็ทุกใจเพราะฉะนั้นอย่าไปทําให้กับเขาให้เห็นใจเขาเราเขาเราเขาอย่างสมมติว่าเราไปฆ่าเขา ไปฆ่าพี่น้องปู่ย่าตายายวงศ์สาคณะญาติญาติมิตรของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาเสียใจในเมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเราก็เสียใจนะนะศินห้าของพระพุทธศาสนาสินห้าของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลนะคณะทรไทยญาติโยมหน้ะนี่แหละคือสิทข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินนาธานาเวรมณีเราไปขโมยของเขาไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกฆ่าไทย ถ้าว่าเขามาทำให้กับเราเอาพ่อแม่ของเราไปเรียกค่าไถยเรามีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจไม่เสียใจถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาเสียใจไหม เ, เขาก็เสียใจเหมือนกับเราเพราะนั้นสินห้าของผู้ได้เจริเขาเราหกสินข้อที่สามกาเมสุมิษาจาราเว ร, รมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปร่วงล้าเขาเราเขาก็เสียใจ ถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันวันนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สาข้อที่สี่มุสาวาทาเวรัมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเราไปเขียนเซ็กเต่งให้เขาอย่างนี้นะไปย้อมตะ ก, กัวไปขายว่าเป็นทองคำอย่างนี้ เ, เอาหินก้อน เออเรื่องเลื่อมแร่เล็กมาเอาไปว่าเป็นเล็กไหลยางไงเออขายให้เขาถ้าเมื่อเขาได้ไปราคาเงินหลายเงินถ้าเขาได้ไปไม่ไม่ใช่ของจริงเขาเสียเสียใจไหมถ้าเขาไม่ให้ทำให้กับเราเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้าจาอ่อโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันเออแล้วก็ศินข้อที่หสุราเมรยะมัชฌะปมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์คันชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนทุกวันมีมากสรุปแล้วก็คือเสพจะเป็นน้ำก็าตามจะเป็นผงจะเป็นอะไรก็าตามถ้าเสพแล้วดื่มเข้าไปแล้วขาดติในเมื่อคนขาดติแล้วทำความชั่วทุกอย่างเพราะคนขาดติตสินห้าเนี่ย ข้อที่1จะฆ่าใครก็ได้ก็ได้ขาดสติจะขโมยใครก็ได้ขาดสติในแกล้งลาบประรวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพาราะขาดสติโกหกใครก็ได้เพราขาดสติเพราะนั้นสินข้อที่5เนี่ยเป็นศินหลังคาบ้านและเป็นสินกระเบื้องหรือสังกสีมุงอาคารถ้าว่าบ้านหลังนี้อาคารหลังนี้ไม่มีสังกสีไม่มีกระเบื้องพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่า แดดออกมาก็ร้อนฝนตกมาก็เปียกมันไม่สบายะสำหรับพวกเราจะอยู่จะอยู่อาศัย why อะไรเพราะบ้านไม่มีหลังคานี่ยเหมือนกันคนเราคนหนึ่งนะถ้าหาว่าคนข่าวจะติดแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะจะมียศถาบรรดาสักดิ์ร่ำรวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะถ้าเป็นบ้าแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะไปว่าขาดาคุณค่าขาดาประโยชน์อย่างมาก ในคนนั้นไม่สมบูรณ์เพราะนั้นพวกเรารู้แก่ใจแล้วว่าการดื่มแระเสพเข้าไปแล้วมันต้องทำให้เสียหายอย่างนั้น เ, เราอยากจะเป็นอย่างนั้นเหรอเพราะนั้นให้ถามตัวเองเวลาเราจะดื่มดื่มห ร, รือเสพอะไรเข้าไปาคิดดีๆให้ดเีเราไม่อยากจะเป็นบาเป็นบอนะ เ, ออเราจะเป็นคนดีจะเป็นคนดีแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวให้เป็นคนดนะีอันนี้คือสินการยด้วยกัน ศีลคือศีลห้าคือรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเรื่องสมาธิน่ะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนะทีนี้นี่พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้ตัดสัตวพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนั่นนะ่ะอันนั้นแหะท่านไปสอบแสวงหาไปหาสอบแสวงหาทางพ้นทุกข์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าอยู่ในบ้านก็มีความสุขเยิงอยู่แต่มาอาศัยการได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติธรรม พวกเราก็หาผ ล, ผลทางที่จะไปสู่ความสุขยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจะได้มาฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์แนวทางที่ครูบาอาจารย์จะได้นําสั่งสอนบอกกล่าวนี้ก็เหมือนกันพระพุทไตรปิฎกที่ท่านหนีออกจากเบียงวังท่านไปประพฤติปฏิบัติดูด้วย ด, ด, ดูตามลาพังพระองค์เป็นเวลาถึงหปีจนถึงวันเดือน6เพนพระองค์ก็ได้นั่งคัตสมาธิ ในเมื่อขั้นนั่งขัดสมาธีและองค์ก็ได้ตัดสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันในวันเดือนหเพลนนั้นก่อนที่จะได้สําเร็จนะท่านทํำยังไงนี่แหละให้ฟังเอาไวนะะ้นะคานตะทา ญ, ญาติโยมวิธีหรือวิธีกรรมหรือวิธีการของพระพุทธเจ้าท่านนั่งขัดสมาธีนะในวันนั้นนะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินท่านได้ได้ญาติขามาแล้วปู ทางทิศตะวันออกของต้นโพพวกเราเคยไปอินเดียพวกเราคงจะเห็นจากนั้นพระองค์ก็ได้อ่นพพักไปทางทิศตะวันออกนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้แหละคือกรรมฐานของพระปุริเจ้าถ้าครูบาอาจารย์ ยุคนี้สมัยนี้จะอธิบายยังไงให้ฟังให้พวกเราให้ฟังเอาไว้ว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้ภาานุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนปกเพนนั้นท่านทําอย่างไรเนี่ยพระองค์นั่งขัจมาทิจักระนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อวรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยาณทัศนะเกิดฌานความรู้พิเศษขึ้นมาแล้วว่าปุกเพนิวาสานุจติญาณระลึกชาติโขนหลังได้ นี่แหละหลักทำคําสอนของพระพุทธศาสนาให้พวกเราคิดดูให้ดีว่าตายแล้วไม่สูญนะคณะทาญาทโยมตายแล้วเกิดอีกแน่นอน why อะไรเพราะทำคําสอนของพุทธะทธ่าพระพุทธองค์ทาพระพุทธองค์เออตายแล้วสูญพ ร, พระพุทธองค์จะระลึกชาติคนหลังได้ยังไงอันนี้พระพุทธองค์ล้ำลึกชาติคนหลังได้เพราะว่าอดีตชาติของพระองค์เป็นมาอย่างไรพระองค์ดูยาวเหยียดเลย ในอดีตชาติตวันนั้นพวกเราพวกทุกท่านนะเมื่อรู้แล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีอย่างพวกเราท่านมาทั้งหลายมาในวันนี้แหละและก็พร้อมกันให้ทานรักษาศีลและกัภาวนาไม่ใช่ทําแต่เฉพาะวันนี้วันเดียวนะกลับไปถึงบ้านแล้วก็ทําโดยสม่ําเสมอประกอบคุณงามความดีการทําบุญไม่ใช่จะให้ทานอย่างเดียวนะไหว้พระสวดมนต์ก็ใช่ รักษาศีลก็ใช่ภาวนาเนี่ยยิ่งเป็นยิ่งมีอานิสงส์ใหญ่เมื่อเรามีโอกาสอยู่ตามลำพังล้วก็นั่งภาวนาดูกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นใจของเราก็จะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบแล้ว เราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันนะพี่น้องสัตว์ยญาติโยมโ ล, ลูกหลานร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนกับรถเห็นได้ชัดในเมื่อเราจิตใจสงบในเมื่อเราจิตใจสงบเห็นอย่างนั้นแล้วนํามาพิจารณาร่างกายร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งนะจะถึงต้องถึงจุดจบของมันนะเราแก่ไปได้แก่ไปอะไรแก่ไปถึงตายแก่ไปตายนะเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยจะถึงจุดจบนะอย่างหลวงปู่ของเราเนี่ยนะ ถ้าท่านแก่แล้วเนี่ยแต่ท่านแก่ของท่านน่ยท่านมีประโยชน์จริงท่านได้ทําคุณค่าได้ทําประโยชน์จริงเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกของหลานของคณะศรัทธาญาติโยมพวกเราเนี่ยจะไปแก่เปล่านะให้แก่ให้มีคุณค่าแก่มีประโยชน์เพราะท่านขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านภาวนา เ, นเมื่อภาวนาแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าใจกับใจใจกับกายกายกับใจเนี่ยเป็นผลละอันกัน นิวรณ์านามธรรมกับรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจนั่นแหละจิตใจตัวนั้นแหะจะได้รับได้รับการอบรมที่ไหนอบรมอบรมบ่มนิสัยเนยที่พวกเรามาฟังเทศเนี่ยอบรมจิตใจนะครับนักธายาติโยมนะามาอบรมจิตใจใ น, นหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของร่างกาย ท่านจึงยกเป็นพุทธภาจิตว่ามาโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเสรษามโนมายะเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจใจนั่นแหละเป็นคลังของบาใจเป็นคลังของบุญถ้าเราทําดีบุญกุศลเข้าสู่จิตใจใจตรงนั้นก็จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะเหมือนกับคนมีบุญคนมีบุญเหมือนคนมีเงิน คนมีเงินจะไปมาตรฐานที่ใดก็ได้ในโลกเนี่ยเพราะเห็ุไรเพราะเรามีเงินแต่เราไม่มีเงินเรามีบาปมันมไม่มีเงินเราจะไปที่ไหนได้เพราะเห็ุไรเพล่เ พ, เ พ, เ พ, เพลอะมีบาปมากเข้าไปตำรวจก็จับไปขังคุกไว้อีกไปจำนองจองจําที่ไหนก็ไม่รู้มันโทษมันหนักขึ้นวนั้น พวกเราให้ทําแต่คุณงามความดีสังสมบุรกุศลเข้าสู่จิตใจในเมื่ออยู่ในโลกนกี้จะมีแต่ความร่มเย็นพลาสุขออกออกจากปารโลกไปแล้วแต่ก็จะมีแต่ความพลาสุขเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นให้พวกเราพวกทุกท่านนะบางที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าเนี่ยสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีตั้งแต่ทีแรกนะั้นแล้วก็ให้มีการเสียสละการอยู่ด้วยกันพ่อแม่ก็เสียสละ ต่อลูกลูกก็เสียสละบต่อพ่อแม่เนี่ยแข่งขันอยู่ด้วยกันแล้วก็เพื่อนมนุษย์ชาติด้วยกันใครตกทุกข์ได้ยากยังไงทําบุญทําทานก็เสียสลัพึ่งพาอาศาัยกันดูแลกันนี่แหละเรียกว่าฐานะศีลก็คืออยู่ในกฎระเบียบอย่ากออกนอกลู่นอกทางเขาเราเขาเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเรื่องสมาธิการทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วจะรู้ได้ ด้วยตนเองจากนั้นก็ น, นํามาพิจารณาแล้วว่าจิตใจสงบนั่นคือสมมตานเะ่ยเมื่อนํามาพิจารณาแลว้วว่าวิปัสสนาวิปัสสนาในกว้างกว้างมากแ ะ, ะ้วนรตะทาญาโยรต้องศึกษา เ, าเพียงแต่ว่าชี้ประเด็นให้ดูถาวาวิปัสสนาควรพิจารณาอย่างไรพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่เสร็จสวยงดงามาให้เห็นตามสภาพความเกิดแก่เจ็บตายร่างกายของคนเราเนี่ยสู่สภาพลงไปสู่ดินน้ำลงไปนะ อันนี้ก็คือเราหลวงพ่อพูดให้ประเด็นให้ฟังเป็นข้าวเภาวนะจะตามไม่จริงจะอธิบายให้ฟังในรายละเอียดก็คงจะยืดยาวทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าพวกคณะสัตยา ญ, ญาติโดยเฟังตื่นตื่นมาแล้วแต่องค์ต่อไปก็คงจะเป็นหลวงปู่ใหม่จะได้แสดงให้ฟังยืดยาวผู้ที่จะฟังก็คงจะฟังให้ยืดยาวต่อไปพอหลวงพ่อลงมาจากอุดรเดินทางระยะทางมา หลายร้อยใหม่ทีเดียวนะ่ะวันนี้หลวงพ่อออกจะนี่หลวงพ่อจะไปพักที่สวนแจ้งธรรมคงจะดึกเดินพอสมควรเพราะฉะนั้นการกล่าวสมโภชในยกรถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบารมีของหลวงปู่ของเราหลวงปู่บุญญาลิตของเราขอให้มาคุ้มของลูกหลานคณะกธาญาติโยม จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธิน